ที่เริ่มฝึกหัดภาวนาออกรุรณ า, าปฏิบัติคือดำเนินตามที่ท่านแนะไว้นหนังสือเียวเรื่องภาวนาเังนอสาระสำคัญของศาสนาแท้คือภาวนาเป็นสำคัญมาก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 ถูกกับเจดีย์นิสัยนั้นได้แต่เวลาเรากำหนดนาบททำบทนั่นมาบริกรรมทดสอบดูจะมีความรู้สึกเบาในภายในจิตใจหรือล่ อ, องแฉะภายในจิตไม่หนักหน่วงนี่คือว่าถูกกับเจดีย์ขางเราเช่นพุทโธเป็นตน้นถูกแล้วก็พึงนำทมบทนั้นมากากับกับใจทำไมจึงต้องได้กนาคำบริกรรมมากำกับใจ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 ย้เมื่อได้รับผลปรากฏเป็นที่ถึงพอใจชนนี้จะมีความภาคเพียนจะมีความเชื่อมั่นต่อผลจะเป็นรายละเอียดยิ่งกว่านี้ก็ตามต้องมีอย่างแน่นอนไม่สงสัยเพราะเท่าที่ปรากฏนี้ก็เป็นที่พึงใจยอยู่แล้วยิ่งได้ทำภาวนาให้มีความละเอียดามากเข้าเพียงไรผลที่เป็นความละเอียดสุก ข, ขุมก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นเดิมลำนี้เป็นเชื่อแห่งความเชื่อความบื่นไห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 แม้น้อยหนึ่งเขาไปเจือปนภายในจิตใจหรือไปแทรกเข็ภายในจิตใจเลยได้เกิจิตของปรารหันก็เรียกว่านักติสันติประหลังสุ ข, ขังเช่นเดียวบันเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของจิตหรือเป็นสัญญาสัญชาตยาณอันหนึ่งก็ได้มุ่งหาความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าญิงว่าชายไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหน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 การแสดงหาความสุขทางใจแสงหาอย่างนี้วนทวนภายนอกเราก็พอทราบกันเพราะเราเคยเส่องแสงเคยได้อาศัยสิ่ง น, นั้นมาแล้วอันนี้ทางใครก็เข้าใจไม่จําเป็นต้องแนะนําทางสอนกันอีสําคัญก็คือการสาะแสงหาความสุขทางหน้าจิตใจอันเป็นหลักสําคัญในร่างกายและจิตจิตใจเราเราควรจะส่องแสงหาวิธีใดถึงจะเจอความสุขหิตใจที่เจอความสุขย่อมไม่ปัดแปลง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 ตั้งกับตั้งการนับไม่สวนเป็นสิ่งที่สารโลกลายไหนๆก็ถามไม่ต้องการทั้งกันทั้งนั้นแต่ทาไมเราจะเป็นผู้ไปเจอโอสินานั้นเพราะความไม่เอาไหนของใจสมควรนเหือนี่ปัญหาตั้งถามตัวเองเป็นอุบายของปัญญาที่จะปราบปรามพิเดชที่มันหลอกเราทุกข์เราก็ต้องทนกับทุกข์ในทางที่ดีทนบ้าง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 หรือเป็นความสุขที่อัศจรรย์เพียงขั้นแห่งความสงบคือสมาธิเท่านั้นก็แสดงผลใหผู้ปฏิบัติถึงแล้วประจักษ์ใจมีขั้นสมาธิที่นี่ขั้นขั้นปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสอ า, าสวะทั้งหลายที่สมาธิรวมตัวกิเลสทั้งหลายเข้ามาสู่จิตเดี๋ยวามามาัมาดไว้ครับจิตที่นี้จะเริ่มฆ่าแล้วที่นี่ฆ่าด้วยปัญญาปัญญาเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าเพียว